จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตภะวตาธโมคือเป็นธรรมที่จับไว้ชอบแล้ว เป็นธรรมที่เป็นจริงตามความเป็นจริงเช่นส อ, สอนเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงสอนเรื่องผลของบุญคือสวรรค์และผลของบาป ค, คือนรกว่ามีจริงสอนเรื่องการตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ว่าเป็นความจริงสอนเรื่องการสิ้นสุด เห็นการเวียนห้ตายเกิดว่าเป็นความจริงคำสอนเหล่านี้ได้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้น้อมนาเอาไปปฏิบัติและพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นจริงก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้รับรองเพราะทำคำสอน ของพระพุทธเจ้ารับรองการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงเพราะได้พิสูจน์ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาท่านจึงไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปไม่มีความสงสัยในเรื่องบาป เรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านได้เห็นแล้วเนื่องจากท่านมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นที่เห็นธรรมนี้ก็คือใจนั่นเองใจของเราตอนนี้ยังไม่เห็นธรรม เพราะถูกโมหะอวิชชาความมืดบ่อดปิดบังอยู่เหมือนตอนนี้มีผ้าปิดตาไว้จึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่จะสามารถเห็นได้พอเราเอาผ้าที่ปิดตาออกไปเราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคนที่เขา ไม่มีผ้าปิดตาเห็นกันอย่างตอนนี้ถ้าเราาผ้ามาปิดตาเราเราก็จะเห็นแต่ความมืดจะไม่เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เราเห็นได้ด้วยตาของเราฉันใดเรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของมรรคผลผนิพพานคือการสิ้นสุด การเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอย่างเดียวกันเป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้เพราะตาในของเราถูกปิดด้วยผ้าของโมหะความหลงอวิชชาความมืดบอดความไม่รู้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราถอนผ้าที่ปิดบังตาของเราให้ออกมาให้ออกไป ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะเป็นความจริงและเป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเห็นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็จะสามารถเห็นได้เช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้เพราะความจริง เรื่องเกี่ยวกับบุญบาทในโลกสวรรค์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่หมดสิ้นไปตามการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่จะต้องหมดสิ้นไปเช่นกนรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยากรุงสุงสขโขทยัยเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเสื่อไป เหลือแต่สร้างประหัาดผันแต่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องมรรคผลผนิพพานนี้ไม่หมดไปตามการตามเวลาเพราะไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลานั่นเองเป็นอาการวิโกเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัย แม้แต่สมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่แล้วในอนาคตที่ไกลข้างหน้าก็ยังจะมีผู้ที่สามารถเห็นได้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาตัดสรตวเห็นความจริงเหล่านี้ดังนั้นพวกเราจรึงมีความเชื่อมั่น ได้อย่างร้อยเปอร์เซว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงและถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะได้เห็นของจริงได้รับสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสารกได้รับกันก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานนี้เองคำว่าสวรรค์นี้แปลว่าความสุข พระนิพพานนี้ก็เป็นความสุขที่สูงสุดเรียกว่าปรามังสุขขังดังนั้นถ้าเราจะเรียกพระนิพพานว่าสวรรค์ก็ได้คนบางคนคิดว่าไปถึงพระนิพพานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญไปหมดความจริงนี้เป็นการเข้าใจผิดคำว่าสูญนี้หมายถึงสูญจากความทุกข์ทั้งหลายภายในใจของพระอาหารหันต ภายในใจของผู้ที่ได้บัรลุถึงขระนที่ผ่านแล้วจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยจะมีแต่ประมงสุขขังเพียงอย่างเดียวคือความสุขอันสุดยอดนี่แหละอยู่ที่ในพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีความเชื่อในพระ พ, พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์ และเราดําเนินปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ดําเนินได้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับสวรรค์อันสูงสุดนี้อย่างแน่นอนก่อนที่เราจะถึงสวรรค์อันสูงสุดเราก็จะถึงสวรรค์ขั้นต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแล้วต่อไปก็จะขึ้นสู่ สวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ของพระอริยเจ้ากับสวรรค์ของปุตุชนคือเทพและพรหนี้มีความต่างกันสวรรค์ของพระอริยเจ้านี้จะไม่เสื่อมลงมาไม่เหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ชั้นเทพที่จะเสื่อมลงมาจากชั้นพรหมก็จะเสื่อมลงมาชั้นเทพ จากชั้นเทพก็จะเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปทําบาปทํากรรมก็จะเลื่อนลงไปสู่อบายสู่นรกต่อไปทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราถ้าเราจะหานรกหาสวรรค์หาพระนิพพานจากที่อื่นเราจะหาไม่เจอ เช่นขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะไม่เจอสวรรค์ชั้นต่างๆเราจะไม่เจอพระนิพพานหรือถ้าดำดินลงไปหรือลงไปใต้น้ำใต้บาดาลเราก็จะไม่เจออบายไม่เจอนรกเพราะว่านารกและสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจของเรา ใจของเรานี้เป็นไตรภพเป็นที่อยู่ของของภพต่างๆภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมภพของพระอริยเจ้าภพของสัตว์เดรัจฉานภพของเปรตภพของสัตว์นรกทั้งหมดนี้อยู่ภายในใจของเราที่เรายังมองไม่เห็นกัน เพราะตาเราบอดตาในเราบอดถ้าเราบำเพ็ญปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปเราจะเห็นอย่างแน่นอนแล้วจะไม่สงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่มากผลนิพพานมีจริงหรือไม่เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงอยู่ตลอดเวลา รอให้เราเปิดตาในขึ้นมาเท่านั้นเราจึงต้องบำเพ็ญธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญที่มีอยู่สามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งทานขั้นที่สองศีลขั้นที่สามภาวนาถ้าเราบำเพ็ญธรรมะเหล่านี้ตามลำดับไปเราก็จะเลื่อนขึ้นไป สวรรค์ชั้นต่างๆตามลำดับจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดถ้าเราบงเพนทานอย่างเดียวแต่ไม่ได้รักษาศีลเราจะยังไม่สามารถขึ้นไปสู่ชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆได้เพราะทานอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงทานนี้มีอันที่สคือทาให้เรา ไม่อดอยากขาดแคลนไม่มีความทุกข์กับการขาดแคลนในสิ่งต่างๆทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่ถ้าเราไม่ได้รักษาศีลด้วยเวลาเราตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ก็จะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้ารักน่าเอ็นดูเช่นสุนัขที่คนจะเอาไปเลี้ยงเป็นเหมือนลูกก็จะอยู่กินอย่างสุขอย่างสบายเนื่องจากได้มีอนิสงส์ที่เกิดจากการให้ทางมาในอดีตแต่เนื่องจากไม่ได้รักษาศีลจึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเกิดเป็นเทพต้องมาเกิดเป็นเดราาัจฉานเพราะไม่ได้รักษาศีลเพราะยังทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาจึงทำให้ได้มาเกิดเป็นเดราาัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบกินดีของมนุษย์ก็จะได้คนที่เขามีฐานะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเหมือนลูกอยู่กินอย่างสุขอย่างสบายเวลาตายไปก็ยังทำพิธีเผา่งให้นี่เป็นอนิสงส์จากการทำทานอย่างเดียวแต่ไม่ได้รักษาศีลถ้าทำทานแล้วรักษาศีลได้ ตายไปก็จะไปเป็นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับการทำทานและการรักษาศีลว่าบริสุทธิ์มากเท่าไหร่นากน้อยต่างกันแล้วถ้าภาวนาได้ด้วยคือทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม จะไปสวรรค์ชั้นพรมได้นี่จะต้องให้ทานต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องทางสมาธิทำจิตใจให้สงบถึงจะไปถึงสวรรค์ชั้นโภมได้แต่สวรรค์ชั้นพรมและสวรรค์ชั้นเทพนี้จะมีวันเสื่อมหมดไปเพราะยังไม่ได้เป็นโลกุตระธรรม คือยังไม่ได้เป็นธรรมที่อยู่เหนือไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตายังเป็นโลกิยธรรมเป็นธรรมที่ยังต้องเสื่อมตามกฎของไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังไม่เที่ยงต้องต้องเสื่อมลงมาหลังจากได้ไเกิดปเป็นพรอมแล้วอยู่ไปได้สักระยะหนึ่ง บุญของพรหมก็จะเสื่อมหมดไปก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพแล้วเมื่อบุญของเทพหมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญต่อเพื่อที่จะกลับขึ้นไปใหม่แต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาภาวนานี้มีอยู่สองขั้น ขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมถภาวนาส่วนวิปัสสนาภาวนานี้เป็นการเจริญปัญญาให้เห็นไตร ล, ลักษณ์นั่นเองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นรากเลื ร, สรเสริญ และสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายหรือร่างกายของมนุษย์เราว่าต้องเสือ่อมเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีลาบมียศมีสารเสริญมีความสุขก็ต้องเสือ่อมเสือ่อมลาบเสือ่อมยศมีสารเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนา ถ้ามีปัญญาทำใจให้ปล่อยวางสภาวธรรมต่างๆได้ไม่ยึดไม่ติดไม่เสียใจเวลาที่สภาวธรรมต่างๆเหล่านี้เสื่อมลงไปก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยขั้นต่างๆก็จะได้สวรรค์ขั้นต่างๆสวรรค์ขั้นโสดาบันสวรรค์ขั้นสติดาคามีสวรรค์ ข, ขั้นอนาคารมี สวรรค์ขั้นพระอาหารหันต์ถ้าได้สวรรค์ขั้นเหล่านี้แล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาสู่ขั้นของปุตุชนอีกต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่สามารถปฏิบัติให้ขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิทาคามีได้เลยเช่นเดียวกับขั้นอื่น เมื่อยังไม่ถึงขั้นสูงสุดขั้นสุดท้ายก็จะสามารถปฏิบัติต่อได้เลยไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่สูงใหม่นี่คืออนิสง์จากการทำบุญให้ทางรักษาศีลบําเพ็ญสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใจก็จะกลายเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดคือเป็นพระนิพพานไป เมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายเพราะใจมีความสุขอย่างเต็มที่แล้วไม่หิวกับความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปตราบใดถ้าใจยังมีความหิวกับความสุขอย่างอื่นอยู่ mm hmm. เช่นยังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ mm hmm. ก็จะต้องไปหาร่างกาย ถ้าทำบาปก็ต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานถ้าทำบุญก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้ครบทั้ง สี่ขั้นได้คือทานสิงสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าสามารถบำเพ็ญได้ทั้งสี่ขั้นนี้แล้ว mm hmm. ก็จะถึงขั้นสูงสุด mm hmm. คือขั้นพระนิพพานแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป mm hmm. นี่คือเรื่องของพพชาติเรื่องของ การเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของมรรคผลนิพพานอยู่ในใจของเรานี้ทั้งหมดและเกิดขึ้นจากการกระทำของเราคือใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใจเป็นผู้สร้างนารกใจเป็นผู้สร้างสวรรค์ใจเป็นผู้สร้างเทพสร้างพรหมสร้างพระอริยเจ้า มไม่มีใครจะสามารถสร้างได้นอกจากใจของเราเท่านั้นใจของใครก็ต้องสร้างเฉพาะของของตนพระพุทธเจ้าก็สร้างของพระองค์เองสร้างให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาว ก, ก็สร้างให้ได้เป็นพระอรหันตสากพวกเราก็ต้องสร้างด้วยตัวของเราเอง เหมือนเป็นการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของเราคนอื่นสร้างให้เราไม่ได้เราต้องสร้างเองด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบสี่ประการให้ทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่ให้รักษาศีลอย่างเต็มที่ให้เจริญสมถกภาวนาอย่างเต็มที่ และให้เจริญวิปัสสนาภาวนาให้อย่างเต็มที่ถ้าเจริญได้ครบร้อยก็จะได้ถึงพระนิพพานถ้ายังเจริญไม่ครบร้อยก็จะถึงสวรรค์ขั้นต่างๆไปตามกำลังความสามารถของผู้ปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเปรียบเทียบการทำทาง น, นี้ก็เป็นเหมือนกับ ชั้นอนุบาลถ้ารักษาศีลก็เป็นเหมือนชั้นปฐะถมถ้าจเจริญสมถะภาวนาก็จะอยู่ชั้นมัธยมแล้วถ้าจเจริญวิปัสสนาภาวนาก็อยู่จะจะอยู่ชั้นอุดมศึกษาก็จะได้รับปริญญาต่างกันอนุบาลก็มีปริญญาของอนุบาล ชั้นปฐมก็มีปริญญาของชั้นปฐมมัธยมก็มีปริญญาของมัธยมและอุดมศึกษาก็มีปริญญาของชั้นอุดมศึกษ า, าเช่นเดียวกับการปฏิบัติทานศีลสมถาภาวนาและวิปัสสนาภ า, าวนาก็จะมีสวรรค์ชั้นต่างๆให้เป็นรางวัล นี่คือเรื่องของกรรมคือการกระทำเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้จะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าได้ทำกรรมแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมก็เป็นคำกลางๆไม่ใช่แปลว่าบาปที่เราใช้กันในภาษาไทยภาษาไทยเราจะใช้คำว่ากรรม แทนคำว่าบาปเช่นบุญกรรมแต่ในภาษาพระนี้คำว่ากรรมแปลว่าการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจไม่ใช่เป็นบาปถ้าทาดีก็เรียกว่าบุญเช่นคิดดีพูดดีทำดีอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีพูดดีทำดีคิดว่าจะมาวัดมาทาบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างนี้เรียกว่าคิดดีพอคิดดีแล้วก็พูดดีชวนเพื่อนเพื่อนสนิทมิตรสหายแล้วก็ทําดีก็ออกเดินทางนําสิ่งของต่างๆมาที่วัดแล้วก็นําเอามาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าคิดดีพูดดีทดําดีก็จะทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดสวรรค์ขึ้นมา เพราะคำว่าสวรรค์นี้ก็แปลว่าความสุขใจนี้เดังนั้นอย่าไปมองหาสวรรค์ที่อื่นให้มองที่ใจของเราเวลาที่เราทําความดีแล้วเรามีความสุขใจนั่นแหละเรากําลังอยู่ในสวรรค์แล้วทั้งๆที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเราได้เป็นสวรรค์แล้วในทางตรงกันข้าม ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นวันนี้คิดจะไปปล้นธนาคารแล้วก็เชิญเพื่อนเพื่อนฝูงให้ไปร่วมกันปล้นธนาคารแล้วก็ออกไปทำการปล้นธนาคารถึงแม้ว่าจะปล้นสาเร็จได้เงินทองมาก็ตามแต่ใจนี้จะเป็นนรกขึ้นมาเพราะจะต้องเกิดความหวาดกลัววิตกกังวล กลัวจะถูกเจ้าหน้าที่มาจับไปเข้าคุกเข้าตารางนั่นเองจะต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆจะต้องคอยหลบคอยหนีเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งๆ ท, ที่เขาไม่รู้ว่าเราได้ไปทําผิดไปเราก็เกิดความตกใจกลัวขึ้นมา ท, าทันทีนั่นแหละความกลัวความตกใจคือความทุกข์ใจน ความทุกใจนี่แหละก็คือนรกนี่เองตกนรกทั้งเป็นน่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจได้เป็นสัตว์นรกไปแล้วด้วยความกลัวดังนั้นเราอย่าไปมองนรกสวรรค์ที่ไหนให้มองนรกสวรรค์ที่ใจของเราเวลาใดที่เรามีความสุขใจเวลานั้นเราอยู่บนสวรรค์ เวลาใดเรามีความทุกข์ใจเวลานั้นเราอยู่ในนรกและเราสามารถที่จะดับมันได้ถ้าเราทุกข์ใจเราก็สามารถทำใจยอมรับผลของการที่จะตามมาพอเรายอมรับผลของบาปที่เราทำไว้ใจของเราก็จะสงบเย็นใจก็จะหายจากเป็นนรกได้ ดังนั้นเขาถึงมักจะสอนให้เราสารภาพบาปให้เรายอมรับความผิดพ่าเมื่อเรายอมรับความผิดแล้วความกลัวก็จะหายไปยอมรับยอมไปใช้กรรมยอมไปติดคุกติดตารางแต่ใจไม่ได้ไม่ได้เป็นไปนรกเพราะใจเย็นใจสงบใจเป็นสุขยอมติดคุกติดตารางแล้วแทนที่จะเป็นนรก ใจกับเป็นสวรรค์ขึ้นมาเพราะใจสงบใจเย็นนี่คือ <c oughs> เรื่องของใจเราต้องพยายามคอยดูใจด้วยสติของเราอยู่เสมอดูว่าใจของเรากำลังสร้างอะไรกำลังสร้างนรกหรือกำลังสร้างสวรรค์ถ้าเราคิดร้ายต่อผู้อื่นคิดอยากจะฆ่าผู้อื่นคิดอยากจะรักทรัพย์ของผู้อื่น คิดอยากจะพูดพูดผิดประเวณีคิดอยากจะโกหกหลอกลวงอย่างนี้เรากำลังสร้างนารกขึ้นมาในใจของเราเราต้องรีบหยุดทันทีอย่าทำแต่ถ้าเราคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นคิดจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นอย่างที่ญาติโยมได้คิดกันในวันนี้ก็ให้ทาไปเลยให้พูดและให้ทาไปเลย เพราะจะทำให้เกิดความสุขใจเกิดสวรรค์ขึ้นมาภายใน ใ, นใจนั่นเองแล้วถ้าเราทำบ่อยๆต่อไปเราก็จะเกิดความชำนาญเราจะสามารถสร้างสวรรค์ให้มีอยู่ในใจของเราได้ทุกเวลาทุกวันนี่คือการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะทำให้เรามีสวรรค์อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา ก็คือให้เราคิดดีพูดดีทำดีคือให้ทานให้รักษาศีลให้เจริญสมถะภาวนาและเจริญวิปัสสนาภาวนาขอให้มีกิจกรรมทั้งสี่นี้อยู่ในใจของเราทุกวันรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่ปราศจากสวรรค์เพราะการกระทำทั้งสี่ประการนี้ เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสวรรค์ขึ้นมานั่นเองเหมือนกับการปลูกต้นไม้ใช่ปลูกต้นมะม่วงถ้าเราปลูกต้นมะม่วงอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกวันต่อไปเราจะมีมะม่วงรับประทานทุกวันาะจะมีต้นมะม่วงคอยออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานอยู่อย่างสม่าเสมอนั่นเองจึงขอให้เรา ปลูกฝังความเชื่อของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราเชื่อโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติความเชื่อนี้ยังอาจจะเสื่อมไปได้เพราะถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการได้ปฏิบัติเราก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติ หรือเราไปอยู่กับคนที่เขาไม่เชื่อเราอาจจะถูกเขาสอนให้เราเปลี่ยนใจได้แต่ถ้าเราได้พิสูจน์จากการปฏิบัติแล้วว่าเป็นความจริงจะความเชื่อของเราก็จะเป็นความเชื่อที่มั่นคงถาวรจะไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนความเชื่อของเราได้เลยเพราะเราเห็น เรารู้แก่ใจของเราแล้วว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริง ก, รกจร ง, กรงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติของเรานี้เองจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ได้ไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อ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 แล้วข้าปลอดไฟจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ